เรื่องอิดสามเรื่องสมัยนั้นพวกพิสูจน์ชาวเมืองอาราวีช่วยกันทำการก่อฝ่าวิหารภิสษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างทรงอิดขึ้นไปอิดที่พิสษุรูปที่อยู่ข้างบนรับไว้ไม่ดีพลัดตกลงทับศีรษะภิสษุรูปที่อยู่ข้างล่างถึงแก่มรณภาพภิสษุรูปที่อยู่ข้างบนเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือนอ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 ภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนมีความประสงค์จกฆ่าจึงปล่อยอิดลงบนศีรษะภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ปล่อยอิดลงมาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไร ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จากข้าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่17สมัยนั้นพวกพิสูตชาวเมืองอารวีช่วยกันทําการก่อสร้างฝาวิหารภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างทรงอิดขึ้นไปพิกษุรูปที่อยู่ข้างบนมีความประสงค์จากข้าจึงปล่อยอิดลงบนศีรษะของภิสูตรูปที่อยู่ข้างล่างแต่พิกษุรูปที่อยู่ข้างล่าง